อะไรประพฤติเล้วเป็นไต้พุ่งประโยชน์สุขอะไรประพฤติเลอเป็นไต้พุ่งทุกท้อก็เข้าไปสอบถามสมณะพราหมณ์พระองค์ก็เลยสมาทานในการประพฤติปัญญาบารมีสมาทานาถือเป็นผู้เรียน Kid รู้แสวงหาความรู้ถ้าผ <t> ู้โพธิสัตว์ของเรานั้นชาติท sure. ี่พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพลียงได้เป็นผู้มีปัญญาสองพระไตรปิฎกหลายชาติพระโทธิสัตว์ของเรานั้นอดีตชาตินั้นสอนพระไตรปิฎก ไม่ต่ำกว่าห้าชาติท่านงเป็นผู้ฝักฝ่ายในเรื่องของปัญญาสอบถามส ม, มณพรามผู้รู้ทั้งหลายบำเพ็ญปัญญาจนเต็มเตี่ยนมีปัญญาเพื่อที่จะช่วยบำบัดความทุกข์ให้แก่มลสรรัพย์ทั้งหลายคุณธรรมตั้งแต่ทานศีลเนื้อธ ม, มะปัญญาคุณธรรมเหล่านี้ถ้าขาดความภาคเพียรพยายามนี้สําเร็จไม่ได้เพราะเพื่อที่จะให้ทานก็ต้องมีความภาคเพียรพยายาม ผู้จะรักษาศีลก็ต้องมีความภาคเพียรพยายามผู้ที่จะออกจากวัตถุ ก, การมและกิเลสการมก็ต้องมีความภาคเพียรพยายามผู้ที่แสวงหาศึกษาเพื่อไข่ครววเพื่อให้เกิดปัญญาก็จะต้องอาศัยความภาคเพียรพยายามก็เลยพยายามที่จะบําเพ็ญคุณธรรมเหล่านั้นให้เต็มเปี่ยมความพยายามอันนั้นเรียกว่าวิริยะบารมีคําว่าพยายามนั้น ไม่ใช่ฝืนแต่หมายถึงความกล้าที่จะทำกล้าที่จะสละเป็นความกล้าอย่างแท้จริงวิริยะประมาจากวีระคือกรรมของผู้กล้าผู้มีความองอาจผู้มีความสามารถเหมือนอย่างว่าราชสีผู้มรรคราชคือราชาแห่งหมู่เนื้อทั้งหลายไม่มีความยำเกรงอะไรมีแต่ความองอาจสง่าผ่าเผยกล้าหานชานชัยในทุกอิริยาบถชันใด ถ้าท่านปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องบำเพ็ญความภาคเพียรพยายามอุตสาหะอย่างแรงกล้าเหมือนกับราชสีฉันนั้นเพียงก็สมัยฐานวิริยะบารมีความภาคเพียรพยายามการเจริญกุศลทุกประเภทอุปสรรคนีม้มีแน่นอนเพราะว่าในโลกนี้มันเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาะเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่น่าพอใจเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ ทุกคั้งเวลาจะให้ทานก็อุปสรรคเต็มไปหมดเวลาจะรักษาศีลก็อุปสรรคเต็มไปหมดเวลาจะออกจากกิเลสการมวัตถุการม ก, ก็อุปสรรคเต็มไปหมดบำเพ็ญปัญญาก็อุปสรรคเต็มไปหมดจะภาพเพียรพยายามก็ไม่ใช่ง่ายเพราะจะใช้แรงกายอย่างเดียวก็ไม่พอเห็นเลยว่าคุณธรรมที่จําเป็นก็คือขันติความอดทนความอดทนนั้นจึงเป็นคุณธรรมที่จะช่วยให้ภาพเพียรพยายาม สังเกตแม้กรนะทั่งเราทั้งหลายมาเจริญกุศลมาพุทธบูชาก็ต้องมีความอดทนเป็นอย่างสูงมากกว่าจะเจริญกุศลเหล่านี้ได้สำเร็จความอดทนหมายถึงความไม่น้อยเนื้อตังใจความที่จิตเบิกบานความไม่โกรธความไม่ดูหมิ่นตนความไม่ดูหมิ่นผู้อื่นเป็นความอดทนเจริญกุศลอยากบากบัน่นด้วยจิตใจสงบเยือกเย็นอันนี้เป็นขันติบารมีเหมือนอย่างว่าแผ่นดินทั้งหลาย รองรับทั้งของที่สะอาดบ้างรองรับของไม่สะอาดบ้างรองรับทั้งคนที่บูชารองรับทั้งคนที่ปนิดูหมิ่นฉันใดถ้าท่านปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าท่านต้องอดทนเยี่ยงแผ่นดินมีจิตใจเยี่ยงแผ่นดินไม่ยินดีไม่ยินร้ายในของที่น่าปรารถนาและของไม่น่าปรารถนาถ้าท่านปฏิบัติเช่นนั้นได้ท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ พองก็คน้นควหาบารมีต่อไปก็เห็นสัจจะบารมีว่าผู้ที่จะบำเพ็ญคุณธรรมดังกล่าวไปถ้าขาดสัจจะขาดความตั้งใจอย่างแท้จริงสัจจะคือความจริงความแท้ว่าสิ่งที่ทําเนี่ยจะต้องทําอย่างนั้นแน่นอนไม่มีการโอนไม่มีการอ่อนไม่มีการบิดเบือนไม่มีการเชื่อแชร์ถ้ารู้ตัวเมื่อไหร่ก็ทําเสมอด้วยชีวิต สัจจะอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านตั้งความปรารถนาะเพราะว่าจะเป็นพระาาพุทธเจ้าผู้ประกาศอริยสัจธรรมผู้ประกาศความจริงแท้คือทุกข์ผู้ประกาศความจริงแท้คือทุกขสมมุทัยผู้ประกาศความจริงแท้คือทุกขนิโรธผู้ประกาศความจริงแท้คือทุกขานิโรธขขามิโรธขนิปรธขขานิโรานิรานิา น, รนะะินรมมานิโรธนิรธขขานิโรธานิโรธขขานธขขานิโรธขาธขข้นิโรธขขานิานิโรธขขานิโรงอยู่ในคลองแห่งวาจานัโรธ คำพูดคำใดจะต้องเป็นคำนั้นไม่บิดเบือนไม่เป็นอืน่นเช่นพูดว่าจะให้ก็ต้องให้ถ้าพูดว่าจะตรารบศีล ร, รักษาศีลก็ต้องรักษาศีลถ้าพูดว่าออกจากวัตถุกรารมกิเลสกรรมแม้แต่คำพูดว่าจะต้องประพฤติปฏิบัติบรรลุพระสัมมาสัมพโพธิญาณให้ได้คำพูดของท่านเหล่านั้นจะไม่มีผิดไม่มีพลาดมั่นคงเที่ยงแท้แน่นอน เหมือนอย่างว่าดาวตะกายพฤกที่เป็นดาวฤกษ์ของโลกไม่มีการเปลี่ยนทิศโคโจรฉันใดถ้าหากว่าท่านปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นผู้โคโจรด้วยคําพูดเหล่านี้สม่ําเสมอไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนดาวฤกษ์ดาวตะกายพฤกฉะนั้นพระองค์ก็พิจารณาแต่เพีว่าคุณธรรมเหล่านี้ว่าจะต้องมีการอธิษฐานมีการตั้งความปรารถนา ว่าที่ฐานที่เราเรียกว่าตั้งจิตมัน่นตั้งจิตมั่นก็คือการตั้งสมาทานตั้งความปรารถนาหรืออัตตะสัมมาภิเนธินั่นเองจะต้องขยันตั้งความปรารถนาขยันที่รืเริ่มในการคิดบรรเทนบุญบรรเทนกุศลกุศลที่ได้บรรเทนจิตก็ตั้งมัน่นจิตไม่เป็นอื่นจิตไม่หวัว่นไหวไม่เปลี่ยนแปลงดำรงมั่นอยู่ในกุศลธรรมเหล่านั้นแล้วก็ตั้งความปรารถนาเจริญกุศลใหม่ๆ อ, อย่างนี้ไปเรื่อยๆ อันนี้เป็นอธิฐานบารมีเป็นความตั้งใจมั่นตั้งใจที่จะเจริญกุศลเมื่อตั้งใจแล้วก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นอธิฐานบารมีพระองค์นี้ได้อธิฐานจิตอย่างมั่นคงเหมือนอย่างว่าเสาเขื่อนหรือภูเขาหินเนี่ยเป็นสิ่งที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่เอ e ็งเอียงไปด้วยลมทั้งสี่ทิศฉันใดถ้าปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้านั้น จะต้องมีใจที่มั่นคงไม่เอ็นเอียงฉันนั้นเหมือนกันพระองค์ก็เลยบำเพ็ญอธิษฐานบารมีผู้ที่อธิษฐานได้อย่างนี้ก็ต้องทําด้วยความเมตตาทําโดยความไม่เบียดเบียนตนทําไม่เบียดเบียนผู้อื่นเป็นการทําที่เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ตนเป็นการกระทําที่เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นทําเป็นไปเพื่อประโยชน์ทั้งสองฝ่ายสเสวงหาประโยชน์ตนสเสมหหาประโยชน์ผู้อื่น ที่เรารู้จักกันในนาะมว่าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์นั้นจะต้องสแสวงหาคุณให้แก่ตัวเองความเมตตาต่อตัวเองพระองค์จึงสแสวงหาอธิศีนอธิจิตอธิปัญญาสแสวงหาวิมุตติวิมุตติญานนณนัทธนาแสวงหาคุณธรรมไม่ว่าจะเป็นสติปทานสมมติปทานเป็นต้นพระองค์แสวงหาคุณธรรมเหล่านี้เพื่อให้ตัวเองมันเจริญงอก ง, งามด้วยคุณธรรมต่างๆ ขณะเดียวกันก็แสวงหาคุณธรรมให้แก่สัตว์อื่นแสวงหาประโยชน์แสวงหาความสุขให้แก่สัตว์อื่นแสวงหาความสุขสันานให้แก่มวลสัตว์อื่นแสวงหาความปลอดภัยให้แกสัตว์อื่นแสวงหาทำให้สัตว์อืน่นนั้นพ้นจากความทุกข์แสวงหาประโยชน์ให้แกมวลสรรพสัตว์ทั้งหลายอันนี้เป็นเมตตาของพระองค์พระองค์นั้นเป็นผู้มีเมตตาประดุดห้วงน้า เป็นผู้ที่เยือกเย็นประดุดพ่วงน้ำเหมือนอย่างว่าน้ำทั้งหลายถากว่าคนสกรปรกจะเป็นคนดีคนยากคนได้คนที่พึ่งอนาถาคนอย่างใดก็ตามถ้าลงไปในน้ำน้ำก็จะให้ความเย็นเสมอกันฉันใดชำระสิ่งที่สกรปรกออกไปฉันใดผู้ที่บำเพ็ญปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องมีเมตตาเหมือนฉันนั้น มีเมตตาแสวงหาประโยชน์ให้ความสงบเรื่มเย็นแก่มวลสรรพสัตว์ทั้งหลายแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอนุเคราะห์สงเคราะแก่ห ม, ม, มูม่สรรพสัตว์ทั้งหลายอันน <das S 1> ี้เป็นเมตตาของพระองค์ผู้ที่มีเมตตานั้นการกระทําทุกอย่างทําเพื่อประโยชน์ตนทําเพื่อประโยชน์ผู้อื่นก็ไม่ได้ทําเพื่อความผูกพันไม่ได้ทําด้วยความอาลัยอาวรณ์ไม่ได้ทําด้วยความสิเนหาอะไรไม่ได้ทําเพื่อความติดความคล้อง แต่ทำด้วยความวางใจเป็นผู้ที่ไม่ยินดียินร้ายในสิ่งที่น่าปรารถนาะและไม่น่าปรารถนาะอันนั้นเป็นอุเบกขาของพระองค์เป็นการวางใจของพระองค์สิ่งที่พระองค์งได้ทําดีที่สุดเพื่อสงฆ์อนุเคฆศสัพพสั ต, รตรพระองค์งก็ไม่ได้ประพฤติเพื่อความยึดถือไม่ได้ประพฤติเพื่อความยึดติดแต่ก็ทําเพื่อประโยชน์ความสุขแต่มวลสัรพสัตทั้งหลายจริงๆเมื่อพระองค์งบรรพณ์อย่างนี้เรียกว่าบารมีสิบ ทุกอย่างนั้นจะต้องทําเกือบเฉียดชีวิตเรียกว่าอุปตารมีทุกอย่างเนี่ยบำเพ็ญกุศลเหล่านี้ทําแบบเป็นผู้มอบกายถวายชีวิตในการกระทำอันนี้ก็เป็นปรมัตถารมีพระองค์เป็นผู้บําเพ็ญบารมีอย่างนี้ตลอดสี่อสงไขยกำไรแสนมาหากรับด้วยกันเพราะผู้เป็นผู้มีใจรักอย่างแรงกล้าที่จะบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์ก็เลยบําเพ็ญบารมีสิท อุปปารมีสิทธิปรมาทิตยารมีสิยังประพฤติมหาบริจาคหาปาารร้ประการมีอธิษฐานธรสี่ประการมีอัธยาศัยเพื่พระองค์บำเพ็ญคุณธรรมเหล่านี้ไม่ว่าจริยาสามโลกธาธจริยายาติธจริยาและก็พุทธตัทธจริยาพระองค์บำเพ็ญเหล่านี้จนจวบถึงชาติที่ตนพระเวสสันดรมหาบริจาค5ประการขึ้นไปในสวรรค์ชั้นดุสิต จุติจากสวรรค์เช่นฤทธิ์มาปฏิสนธิที่เรารู้กันว่าเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเป็นผู้มีบารมีเต็มเตี่ยมแล้วเพราะยงปรารถนาว่าเราพ้นแล้วจะให้ผู้อื่นพ้นด้วยเราข้ามแล้วจะให้ผู้อื่ น, นข้ามด้วยเมื่อเราปรินิพานแล้วก็จะให้ผู้อื่ น, นปรินิพานด้วยความตั้งใจเดินจริงๆนั้นปรารถนาความตรัสรู้ปรารถนาปรินิพานปรินิพานคือความดับความเกิดความแก่ความเจ็บความตาย เพระนั้นเวลาท่านเห็นเทวทูตท่านจึงน้อมไปเพื่อเพื่อการเดือดเพื่อนมฆขมมะเพื่อจะได้ประพฤติปฏิบัติให้หรู้ทำเป็นที่พ้นจากความเกิดความแก่ความตายพระ อ, องค์ก็เลยออกเดือดออกเดืก็มาที่เมืองราชครึกเมืองที่เราไปกันมาเมื่อวานพระเจ้าพิมพิสารก็ได้เชื้อเชิญในราชสมบัติพระ อ, องค์ก็ไม่ต้องการเพราะว่าอัธยาสัยทุกอย่างตั้งความปรารถนาเพื่อตรัสรู้ อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพรองไปสแสวงหาบทอยู่ในสมนักอาราบรดาบทอุทกะดาบทรั้มเรียนวิชาอากิจนยยนะจนนญญนะัญญายัตนะจนถึงเนวสัญญานาสัญญายาตนะพระองค์ก็รู้ว่าอารูปประชามทั้งหลายเหล่านี้เป็นสันตวิหารธรรมเป็นธรรมที่สงบเป็นธรรมที่ละเอียดเป็นธรรมที่ประณีตถึงกระนั้นธรรมเหล่านี้ก็ยังเป็นไปเพื่อพบยังเป็นไปทําให้เกิดในอากินจัญญายตนะพบ ให้เกิดในเนวสัญญาณาสัญญายุตนาภคไม่ใช่สิ่งที่พระองค์ต้องการพระองค์ก็เลยเดินจากสนักของอาจารย์ทั้งสองมาเที่ยวแสวงหาทมเป็นเครื่องพ้นทุกข์ก็มาจนถึงตำบลนี้ตำบลที่เรานั่งกันอยู่เรียกว่าตำบลอุรุเวลาเซนานิคมพระองค์ก็บอกว่าสถานที่บริเวณแถวนี้สมัยนั้นเยือกเย็นสงบเรื่อเย็นไม่ใกล้หมู่บ้านจนเกินไปอยู่ใกล้แม่น้ำ เป็นสถานที่ที่เหมาะมากที่จะบําเพ็ญเพียรมีการบําเพ็ญเพียรมีการกระทําทุกกระกิริยาที่สมัยนั้นเขายกย่องเขาชื่นเชยว่ามันดีเช่นการอดอาหารพระองก็อดอาหารตั้งแต่เริ่มมาจนถึงหลือหนึ่งคำแล้วก็ลดจากหนึ่งคำมาลดฉันวันละเท่ า, มาเมล็ดงาร่างกายก็ถ่ายพร้อมไม่ใช่แต่อดอาหารอย่างเดียวเท่านั้น พองษ์ก็ยังกัง้นลมหายใจปวดศีรษะเหมือนกับเขาขันชนเนาะปวดท้องปวดร่างกายทั้งร่างกายก็เน็ดเหนื่อยพ่ายพร้อมแล้วก็ยังทรมานตนโดยราการต่างๆอีกพองษ์ก็ลองในเกือบตายถ้าตายก็ไม่ได้บรรลุใช่ไหมก็เอาแค่เกือบตายก็พอรู้ว่าถ้าเกินกว่านี้ตายอย่างเดียวพองษ์ก็เลยเลิกระลึกถึงวันมงคลแรกนาขวัญสมัยนั้นอายุเจ็ดขวบที่พระพุทธบิดาเนี่ย พาไตในงานมงคเลเรีนาขวัญที่นั่งในโคนต้นว่าแล้วกําหนดลมหายใจเข้าออกจนได้ปฐมฌานพระอ ง, งก็มาแลลืกว่าเพลิงนั้นเนี่ยเป็นทางแห่งความปรสรถนาแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยตอนที่พระองค์ทรมานตัวนี้พระองค์งก็ยังอบเบลนสมถะและวิปัสสนาหยุดอบเบล่นทั้งสมถะและวิปัสสนาในระ่างที่พระองค์งนั้นบำเพ็นทุกขาชกิริยาอยู่ด้วย เมื่อพระ อ, องค์นิหวนัวและลึกถึงอานาปานสติก็รู้เลยว่าการที่จะเจริญอานาปานสติกําหนดลมหายใจเข้าออกให้ได้ชานเหมือนเมื่อสมัยเด็กตอนนั้นด้วยร่างกายที่ถ่ายท้อมสุขภาพที่ไม่ดีเช่นนี้ทําไม่ได้ก็เลยระลึกว่าเราจะต้องบริโภคอาหารพระองค์ก็มาฉันอาหารอยู่ไม่กี่วันร่างกายก็กลับเป็นปกติตามเดิม ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าก็เลยเบื่อจากที่นี่แล้บ่รู้บื่อแล้สมณะเนี่ยเป็นคนมากมากเวียนไปหาความมากๆแล้วเนี่ยกลับไปกินตามเดิมแล้วขนาดทําตัวให้ทุกข์ยากลําบากยังไม่กรัสรู้ถ้าไปบริโภคไปฉันอาหารจะบรรลุได้ยังไงทรกว่าด้วยธรรมนิยามทําให้ปัญจวัคคีย์นิคิดอย่างนั้นปัญจวัคคีย์ทั้งห้าก็เลยออกจากที่นี่ออกจากการกุฏิถาวรพระโพธิสัตว์หนีไปอยู่ที่ตาอิสิปัตนมรุกขายาวัน แต่ที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยโดยธรรมนิยามคือเป็นเรื่องธรรมดาว่าผู้ที่จะบรรลุปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะต้องได้กายยาบูรุษแม้แต่พระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆกนกเหมือนกันที่เคยมีบริวารติดตามเป็นหมืนม่นๆก็ต้องจากบริวารเหล่านั้นเพราะถ้าไม่จากบริวารเหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะปัสรู้ธรรมได้ของเราที่มาเริ่มฟังธรรมนี้ก็แสดงว่าประชุมเพื่อจะได้เลิกประชุมสักทีใช่ไหม ก็จะได้ไปเจริญกุศลและทชั่งสูงให้ประณีตให้ละเอียดสุขุมุมลึกต่อไปอีกปันจวักคีทั้งหลายเนี่ยนี้จากปายเพลิงว่มีสุขภาพแข็งแรงดีแล้วพระองค์ก็ได้ฉันอาหารของนางสุชาดาอย่างที่เรารู้กันแล้วก็ฉันอาหารเสร็จตลอยถาตลอยถ า, ลยถาแล้วก็ทั้งวันนั้นก็ประพฤติสมถวิปัสนาอยู่ณนะชายป่าแห่งหนึ่งตอนเย็นพระองค์ก็เสด็จมาที่โคนต้นโพระวางทางก็เจอเศด็จทิยาพราม เสถุยรพราหมณ์ก็เลยถวายหญ้าแปดกันครองเอาหญ้ามาถึงโคนต้นโพเนี่ยก็เอาหญ้าเนี่ยมาวางในทางทิศใต้ก่อนพอวางปั๊บแผ่นดินนี่ก็เอียงเหมือนกับเหยียบลูกบอลที่อยู่บนน้ําลูกบอลอยู่บนน้าวางผิดตำแหน่งปั๊บมันก็เอียงอีกข้างหนึ่งอีกข้างกระดกขึ้นมนาะอีกข้างหนึง่งยุบลงแล้วก็อวางจากข้างใต้เสร็จก็บอกว่าตรงนี้ไม่ใช่ที่ประสรู้ก็เลยหันมันเป็นทางทิศตะวันตก ทางทิศตะวันตกก็เอ็นเอียงอีกก็เลยกลับไปทางทิศเหนือทิศเหนือก็เอ็งเอียงอีกก็เลยไปจรงแท่นวัชระอาตรงนั้นเนี่ยเป็นสถานที่ที่มั่นคงเป็นที่ที่พระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆประทับนั่งแล้วตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่ตรงนั้นก็เลยมั่นคงไม่หวั่นไหวด้วยบุญบารมีที่พระ อ, องค์ได้บำเพ็ญมาก็ทําให้เกิดบาลังขึ้นบาลังอันนั้นเรียกว่าอาปราชิตาบลัง อย่างชยันโตโพธิยามูเลสักยานังที่เราเรามีคํานึ่งนฮะอัปราชิตตะบัลลังเกลสีเซ่ต้นๆว่เป็นอัปราชิตตะบัลลังเป็นบัลลังที่มั่นคงแน่นอนไม่หวั่นไหวไม่ตาชัยพระองค์ก็เลยประทับนั่งถึนพระพักไปทางทิศตะวันออกก็สมาทานอธิษฐานเลว่าเนื้อและเลือดในสรีระให้มันเหือดแห้งไปร่างกายนี้จะรั่แต่นังเอ็นกระดูกก็ตามที ถ้าไม่ได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้ า, าไม่ลุกเพราะฉะนั้นถือว่าการนั่งครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้ของชีวิตนี้ถ้าไม่เกิดสรุปทำก็เลยอธิษฐานเอาชีวิตเข้าเล็กที่เขาใช้คําว่าพระหิตตัดเติมมีตนส่งไปแล้วไม่อาลัยในร่างกายและชีวิตประทับนั่งพอประทับนั่งแค่นั้นแล้วพยายามานเดือดร้อนเลยพยายามานเดือดร้อนก็บอกว่าโอ้เนี่ยสิท ธ, ธิผลจักพ้นจากอํา น, นาจของเราก็เลยมีการ ต่อสู้กับมารใช่ไหมที่เราพาหงสหส ม, มาธินีมิตก็คือพญามารที่มีแขนมากมายพร้อมด้วยบริวารตอนที่พระ อ, องค์ประทับนั่งตอนได้ออไหมนะมูเทวดามาหมื่นจักรวาเลเนะพอพญามารจะเดินผลมาเท่านั้นแหละเทวดาพรมนั่งไหลหนีหมดก็เลยมีการต่อ ย, ยุดกันกันกบพญามารพญามาเนี่ยประทุสร้ายทำให้ฝนห อ, อกฝนดาบฝนลา้าฝนคีเท่า ฝนฉานเพลงฝนสารพัดชนิดตกลงมาใส่พระโพธิสัตว์แต่สิ่งเหล่านั้นกลายเป็นดอกไม้บูชาพระโพธิสั ต, ตว์ไปหมดตอนหลังพระองค์ก็บอกว่าบัลลังก์นี้ควรแก่พระองค์พยามารก็บอกไม่ใช่บัลลังก์นี้ควรแก่ท่านทําไมบัลลังก์นี้ควรแก่ท่านบอกว่าเป็นผู้บําเพ็ญบา ร, รมีมาบอกใครเป็นพยานก็บอกว่าแผ่นดินนี่แหละเป็นพยานพระองค์ก็ชี้ไปที่แผ่นดินว่าแผ่นดินเนี่ยเป็นพยานก็บอกว่าด้วยเดชแห่งบา ร, รมีที่พระองค์ได้บําเพ็ญมาเนี่ย ทำให้แผ่นดินหวันไหวเหมือนจะซุดพยามารก็เลยหนีไปหมดเลยพระองค์ก็เลยได้วิเวทเพราะฉะนั้นในช่วงหัวค่ําพระองค์ก็ชนะมารพยามาเนี่ยหนีถอยไปหมดด้วยอำนาจบุญบารมีของพระองค์แตตรงนี้เล่ารวบรัดส่วนรายละเอียดโดยพิสดารก็ไปค้นคว้ากันต่อไปพอพระองค์เนี่ยชนะหมอพยามาอย่างนี้แล้วพระองค์ก็นั่งกําห น, นดลมหายใจเข้ากําห น, นดลมหายใจออก เมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเพีองหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเพีองหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นกําหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจเข้าหายใจออกระงับกายยะสังขารหายใจเข้าหายใจออกเพียงแต่ท้าบกำหนดอ่านปานสติ จนได้นิมิตขึ้นนิมิตแห่งอาณาปานสติก็เข้าปฐมฌานเข้าทุติยฌ า, านเข้า ต, ตัตยฌ า, านและเข้าจตุทฌานพร้อมทั้งว ส, สีทั้งห้าประการเมื่อพระองค์ได้ฌานอย่างนี้แล้วจริงๆแล้วน่าจะใช้เวลาไม่กี่นาทีหรอกยังไงก็คิดว่าไม่ถึงชั่วโมงในความชำนาญของพระองค์พระองค์ก็ละลึกชาติได้ตั้งแต่ช่วงหกโมงเย็น ที่เหลือเรียกว่าเมื่อจิตเบาอ่อนคล่องควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวันไหวโดยที่มีฌานที่สี่ที่เกิดจากลมหายใจเป็นบาทก็น้อมละลึกชาติคือพระองค์ก็มานั่งละลึกชาติถึงความทุกข์ในวัฏฏะที่ผ่านมาว่าลกว่าชาตินั้นมีชื่ออย่างนั้นมีโคตอย่างนั้นมีผิวพันุ์อย่างนั้นสวยทุกข์สวยสุขเช่นนั้นบริโภคอาหารเช่นนั้น ดำรงอยู่เท่านั้นเท่านั้นจุติจากพบนั้นแล้วจะเกิดในพบน้นเหมือนอย่างว่าคนที่ไปเที่ยวไปหลายแห่งนั่งตรงนี้ก็ลุกจากตรงนี้ไปนั่งตรงนั้นนั่งจากตรงนั้นลุกไปตรงโน้นแล้วก็กลับมานั่งที่เดิมก็มานั่งและลึกทบทวนว่าที่ตัวเองผ่านมาเนี่ยไปที่ไหนมาบ้างคล้ายๆกับว่าเวลาเราไปไหว้พระหลายๆแห่งนะก็ถามมาไหว้มากี่แห่งแล้วก็มานั่งและลึกแบบนั้นไอายการและลึกชาติก็คือละลึกแบบนั้น ไม่ใช่เหมือนนั่งดูทีวีนะแต่เป็นการระลึกได้นึกได้ออกว่านึกออกระลึกออกหมดว่าไปที่ไหนที่ไหนตปนตน้ตนมาพระองเมื่อระลึกทั้งของพระ อ, องค์เองและของสัตว์อื่นระลึกอยู่สี่ชั่วโมงด้วยกันเพราะนั้นก็กําจัดความเมืดคืออวิชชาในเรื่องชีวิตในอดีตนี้ไม่มีความสงสัยโดยประการทั้งปวงเชื่อว่าวันนั้นเนี่ยเพงระลึกอย่างน้อยสี่อสงไขยแสนกับในการระลึกชาต เพราะฉะนั้นชีวิตตลอดเสีสยสงไข่แสนกับอย่างที่ว่าหนึ่งกับเนี่ยก็ดูกรโตกว่าเขาเวือพุระบันพดเลขศูนร้อยสี่สิบตัวคิดดูว่านั้นเรียกว่าหนึ่งอสงไขยแล้วตั้ ง, สสงเสียสงไข่เศษแสนกับพลีองจึงเป็นเจ้าของวาทะว่า น, าน้ำตาของสัตว์ทั้งหลายที่สีใจร้องให้มากกว่าน้าตามหาสมุทรที่ร้องให้บ่อยๆนี่ก็อาจจะเกินทะเลไปแล้วมัง้งเนี่ ยังไม่ล้นนะใครที่เจ้าน้ําตาทั้งหลายแหละก็ให้รู้เท่าว่าล้ําตาที่หยดลงไปติ้งติ ง, ตงเหล่านั้นเกินน้ําทะเลมาหาสมุทรเวลาเดินสะดุดอะไรเลือดมันไหลสักนิดหน่อยเข็มปักแล้วเลือดไหลมีดตอกผลไม้บาดอย่างนี้นก็ให้รู้เท่าว่าน้ําเลือดที่เสียไปในวัตตะอันยืดยาวนานมากกว่าน้ําทะเลมาหาสมุทรแล้วก็เวลาเดิมใจกะลําำนึกกะลําใจหลวงพ่อเคลื่ออะไรนะครับกะลาใจกะลาใจ กะลำใจเนี่ยว่าจำหลวงพ่อมาอย่างนี้เลยถ้าผิดก็หลวงพอ่อละเพราะเวลาดือกกะลำใจเนี่ยก็นึกเลยว่าไงน้ํานมที่เราดื่มกินจากถังแห่งมารดามากกว่าน้ำทะเลมหาสมุทรแล้วถามว่าร้องให้พระแม่ตายเนี่ยนะแม่คนเดียวเนี่ยนะมากกว่าน้ำทะเลมหาสมุทรวัดสังสารวัตรนี่เรามีแม่กี่คนมไม่ใช่คนเดียวนะถ้าแม่คนเดียวเนี่ยน้ําตา ม, มากกว่าน้ำทะเลแล้วเมื่อเท่าไหร่หละเสียน้ําตาไปสักเท่าไหร่แล้ว เนื้อเลือดที่เสียไปเป็นต้นเนี่ยนะในสังสารวัตอันยาวนานที่เฝ้าขันห้าเลี้ยงดูขันห้าถ้ากล่าวเราคงเดินรอบโลกมารู้กี่โลกเดินเฝ้าขันห้าบริหารขันห้าดูโลขันห้ารักษาขันห้าสงสัยอยู่ในขันห้ามาทุกสภาพแล้วรับใช้ขันห้ามาทุกสภาวะแล้วทั้งสุขทั้งทุกแต่เดินมากมันทุกคุณนันตายังทุกแสดงว่าเดินมากก็ทุกเลยนะ เพรา ะ, ะชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยก็ทุกพระไรทุกพระชาติชราพยาธิมรณะทุกพระโศกกาและก็สังกติเลสิกะทุกทั้งมวลเหล่านั้นเนี่ยในวัฏฏะอันยืดยาวนานตรงกะละละลันลยกได้โดยประการทั้งปวงจนไม่มีความสงสัยในอดีตและอวิชชาในอดีตโดยประการทั้งปงวงพระองค์ก็น้อมไปเพื่อเห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายในหมื่นจักรวาลหาประมาณนี้ได้ ก็พิจรารณาถึงความเกิดความตายของมวลสัตว์ประสรทั้งหลายว่าสัตว์เหล่านั้นเนี่ยปฏิสนธิตามที่ต่างๆถามว่าที่ปฏิสนธินี่มาจากไหนก่อนจะปฏิสนธิเรียกอะไรจุติตแล้วทาไมจึงจุติแล้วไปปฏิสนธิที่นั่นกัมมูประค่าย่ามทระองก็รู้เลยว่าเพราะกรรมตัวนั้นนําไปเกิดณนะที่นั้นก็เลยยังรู้จุติปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลายว่า สัตว์ที่ปฏิสนธิแล้วรูปร่างกายเรื้อรังมากหรือว่ารูปร่างกายมดงามได้ดีแตกยากมีอาการชัว่วมีอาการดีก็เหมือนกับคนที่เราเห็นมานี่แหละแต่ละวันแต่ละวันที่ผ่านมานั่งรถมาในอินเดียได้เห็นคนในหลายสภาพใช่ไหมว่าผู้ที่มาปฏิสนธิอยู่ในครันตามที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ําสัตว์บกหรือว่าตั้งแต่แมรกเปรตอาศัยร่าเดียร์ชามนุษย์เทวดาทั้งหลาย กรรมทั้งหลายเหลา่าใดที่นำมาปฏิสนธิ sequel. แล้ะพวกก็ยังรู้ถึงกรรมตัมโมภาฆายานคะก็คือยังรู้ถึงทุตธรร ม, มเวชนียกรรมอุปชาเวชนียกรรมอัปราตระเวชนียกรรมตําตัวไหนนําเกิดก็เรียกว่าชนะ ก, กรรมกรรมตัวไหนที่ไปอุปธรรมก็เรียกว่าอุปถรมตระกรรมกรรมที่ไปเบียดเดียมก็เรียกว่าอุปตีตระกรรมกรรมที่เข้าไปตัดรอมก็เรียกว่าอุปขาตกรรม ในบรรดากรรมเหล่านั้นถ้ากรรมใดเป็นครุกรรมกรรมนั้นก็ให้ผลก่อนถ้าไม่มีครุกรรมอาสันนกรรมก็จะให้ผลถ้าไม่มีอาสันนกรรมอาจินนกรรมก็ให้ผลถ้าไม่มีอาจินนกรรมกตัตตาวาปณกรรมทั้งหลายก็ให้ผลแล้วกรรมทั้งหลายที่มันให้ผลเนี่ยนะพราองั้ก็พิจารณาในเรื่องกรรมและผลของกรรมเนี่ยในหมู่ศรัทธาประมาณไม่ได้ถามว่าถ้าใครเข้าใจกฎเกณฑ์แห่งกรรมเนี่ยนะชดช้กรรมหมดไหม กรรมในหนึ่งชาวนะนะเดือนที่หนึ่งให้ผลเป็นที่ถวมยเดวอนที่เจ็ให้ผลเป็นอุปราชเวทนียกรรมเดือนที่สองถึงเดวงที่หกให้ผลเป็นอัตรายะเวทนียกรรมแล้วกรรมเหล่านี้มันทําแค่ขณะเดียวหรือก็ไม่ใช่ชาวนะเดียวกรรมเหล่านั้นที่ทําแล้วให้มันมีผลต่อไปข้างหน้าถามว่าหนึ่งกรรมให้ผลหนึ่งใช่ไหมไม่ใช่ให้ผลเป็นร้อยเท่าพันเท่าเหมือนเท่าแสนเท่าล้านเท่า หรือกรําให้ผลเป็นห้ารชาติแล้วชีวิตในวันวันหนึ่งทํากรรมกันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นหมู่สัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปตามกรรมกรรมที่สัตว์ทั้งหลายทําโดยมากเนี่ยทํากุศลหรืออกุศลหกุศลใช่ไหมให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์กรรมเหล่านั้นก็ให้ผลที่เป็นทุกข์เป็นไปเพื่อความเดือดร้อนเป็นไปเพื่อความยากเป็นไปเพื่อความลําบากเป็นไปเพื่อความอดอยากหิวโหยเป็นต้น ถ้าดูนะคนจะให้ทานกับคนจะรับทานไหนมากกว่ากันคนรับมนับมนเ <นะ S 1> พราะในอนาคตมูสัตว์นี่ห้อยหิวโดยมากที่อิน่มนี่น้อยนักเพราะว่าคนที่จะน้อมไปเพื่อการให้กับน้อมไปเพื่อการเอาคนที่น้อมไปเพื่อการให้น้อยกว่าคนที่คิดเพื่อจะเอาอย่างที่ว่าคนที่มาตั้งใจจะมาบริจาคมีน้อยนักที่เหลือไปเพื่อจะเอาเพราะฉะนั้นมูสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเดือดร้อนเรื่องมหาพูดแหละ เดือดร้อนเรื่องข้าวเรื่องน้ำเรื่องพลาดเยื่อจามพะนาดเดือดร้อนในเรื่องที่อยู่ที่อาศัยเดือดร้อนไม่กระทั่งเรื่องยยารักษาโรคหมูสัตว์ทั้งหลายเข้าเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเขาเหล่านั้นเป็นผู้ประพฤติผิดประพฤติผิดในวัตถุการทั้งหลายด้วยกิเลสด้วยตัณหาด้วยอวิชาด้วยบาปด้วยกรรมที่เป็นอาคุศลพรองกระเพิจารณาถึงกรรมและผลของกรรมจุติปฏิเสนที่ของหมูสัตว์ทั้งหลายเพื่ สัตว์เลวสัตว์ประณีสัตว์ได้ดีสัตว์ตกยากถือพันดีมีถู้พันสามรูปชั่วตัวดําเป็นเล่มเพื่อมรู้มองเห็นผลุปุกปองรู้กรรมและผลของกรรมตอนที่ปองประทับนั่งอยู่ที่ต้นโพธิ์ที่ปราสรูเนี่ยเปรตในนครราชครึกเนี่ยพื่อมองเห็นหมดทั้งเรื่องมือเปรตเนี่ยที่เมืองราชครึกเป็นยังไงเขาทํากรรมอะไรมาจึงได้ไปเกิดเป็นเตรตณนะที่นั้นๆ อย่างที่พระโมคขาลานะกับพระลักษณะเวลาลงเขาคิ้นฉกูดเห็นเปรตหรือว่าขึ้นเขาคิ้นฉกูดมองเห็นเปรตพระโมกขาลานะมองเห็นท่านก็ยื้มพระลักขณะกระถาม่ายิ้มมาไราเดี๋ยวไปถามผมตอหน้าพระพุทธเจ้าพอขึ้นไปบนเขาคิ้นกูฏพระพาลักษณะก็ถามพระโมคขาลานะว่าที่ตอนบินพบาทเนี่ยท่านยื้มมาไราบอกผมเห็นเปรตแปลกมากเลยไหมเป็นตัวกระพัน ตัวกระพันนี่แปลว่ามีหัวอยู่ที่ท้องหมายถึงแคอขาดแต่หัวอยู่ที่ท้องหรือบางทีก็เห็นอะไรเห็นเป็นเปรตชิ้นเนื้อบ้างเห็นเป็นก้อนชิ้นเนื้อที่ตาจิตแล้วก็ร้องมังงงอยู่นั่นแหละเป็นเปรตโครงกระดูกบ้างพอท่านเห็นอย่างนั้นพลอยก็บอกว่าโมฆลลานะไม่เราก็เห็นแต่เราก็ไม่บอกไม่พูดเพราะว่าถ้าหากว่าพูดแล้วเขาจะไม่เชื่อถ้าเขาไม่เชื่อจะเป็นไปเพื่อบาปเพื่อตำเพื่อทุกเพื่อโทษ ก็เลยไม่ดอกตอนนี้ได้พระโมคขานะเป็นพยานก็เลยพยากรก็ถามว่าเปรตพวกนั้นทํากรรมอะไรมาอย่างเปรกล้างกระดูกก็คือเป็นพวกฆ่าสัตว์เล่แต่กระดูกตายแล้วก็ตกนรกพ้นจากนรกก่อนจะจุติจากนรกลึกถึงกระดูกถ้าพกระดูกเรามาเลยตัวเองก็เลยมาเป็นเปรตร่องกระดูกบางพวกเป็นเจ้าของเขียงเนื้อหันด้วเนื้อทั้งรั้นทั้งคืน จุตจากมรรคเนี่ยมีชิ้นเนื้อเรา่องขึ้นมานึดถึงชิ้นเนื้อเลยกลายเป็นเตก้อนเนื้อเพียงก็เล่าถึงตําทั้งหลายที่มูสัตว์เหล่านั้นให้ธโมคลานะให้พระผู้ศึกษาทั้งหลายฟังในสมัยพุทธกาลซึ่งพระองค์ประทับอยู่ที่นี่เรื่องจุติปฏิสนธิของมูสัตว์ทั้งหลายพระองค์นี่มองเห็นทั้งหมดคุลุเพผงพระองค์พิจรณาเรื่องจุติปฏิสนธิอยู่กี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมง พอครบสีชั่วโมงพี่เจรณาเรื่องความเป็นไปในวัฏฏะอย่างประสายพระองค์ก็มาพิจารณาว่าหมูสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปในวัฏฏะภูมิสามภูมิสามคือการมาภูมิรู ป, ปรภูมิและอรู ป, ปรภูมิกําเนิดสีเกิดในคันเกิดในไข่เกิดในเท่าใครและเกิดในอุปปาทิกะในคติห้าคือนรกเดรฉานเปรตมนุษย์และเทวดาบุญ ญ, ญาณสิติเจหรือสัตวาวาสเก้า เมื่อพระองพิจารณาจนรอบครอบครบท้วนบริบูรณ์อย่างนี้แล้วสรุปว่าวัฏตะในพูงสามก็คือชรากัรรณะเพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มเพราะสัตว์ทั้งหลายที่มีความแก่ก็ต้องมีความตายเมื่อแก่เมื่อตายแล้วชรามรณะเหล่านี้มีอยู่อย่างนี้แต่ถึงกระนั้นหมูสัตว์ก็ไม่เห็นทำเป็นที่พ้นความแก่และความตายเลย เพราะอะไรมีหนองจึงมีชราลแล่มมรณะ